สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาทนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในความสมดุลเรื่องของการเอาใจใส่สังคมและการประกาศข่าวประเสริฐท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าอคาทูตเปโตได้ประกาศอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับพระบัญชาของคิสจักรในพระเจนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตบทที่2ข้อที่9้า ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นี่คือหนึ่งเปโตปรบที่สองขอ้อที่9กครับสรุปแล้วก็คือว่าเป็นการสําแดงพระเกียรติศีริขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยวาจาและการกระทํานั่นเองและท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงนั้นท่านแปลความอย่างนี้ครับว่าวาจาคือการประกาศข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่มีคุณธรรมสง่างามประกอบด้วยพระเกียรติสิริที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการกระทํำนั้นก็คือพยานในการดําเนินชีวิตนั่นเองพี่น้องครับไม่เพียงแต่เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนเรานั้นต้องมีพยานที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมเพราะการเป็นพยานที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมมีความหมายที่สําคัญมากครับคือด้านหนึ่ง เป็นการเตรียมการในการประกาศข่าวประเสริฐเตรียมจิตใจผู้คนคืนสู่พระเยซูคริสต์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการสำแดงน้ำพัดไทยของพระเจ้าในตัวเขาทำให้เขาเป็นเหตุที่ทำให้คนมารู้จักกับพระเจ้าพินองครับนั่นคือการแสดงออกของคริสตจักรยุคแรกเขาได้สั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันว่าพระเยซูส่งเป็นพระกิต ในขณะด้วยกันครับคริสจักรในยุคแรกนั้นก็ให้ความห่วงใยกับสังคมเราเห็นในพระธรรมกิจการบทที่6ใช่ไหมครับเขาก็ได้แจกจ่ายอาหารให้กับคนทั้งหลายพี่นอลครับนั่นแสดงว่าคริสจักรนั้นให้ความห่วงใยกับสังคมครับเพราะฉะนั้นคริสจักรนั้นจะต้องมีความสมดุลในการเอาใจใส่สังคมห่วงใยสังคมและประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยในตัว นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสจักรนั้นจะต้องสร้างความสมดุลนะครับคริสจักรให้ความห่วงใยกับสังคมมี2ประการครับก็คือให้การบริการสังคมด้วยความรักและจะต้องมีความยุติธรรมในการร่วมสนทนาปราศัยในสังคมทั้ง2องประเด็นนี้เปรียบเทียบเหมือนนอกครับมีปีก2ข้างนั่นหมายความว่าย่งครับหมายความว่านอกจากเราจะ บริการด้วยความรักนะครับเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยในประวัติศาสตร์ของเครือจักรนะครับมีนักปฏิรูปศาสนาคนท่านหนึ่งครับจอห์นแคลวินหลายท่านผู้ฟังหลายท่านคงรู้จักนะครับจอห์นแคลวินท่านถือว่าเครือจักรนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจอห์นเวสเล่ย์ก็เช่นเดียวกันครับท่านลนอนน์ได้นาการฟื้นฟูเกิดผล การเกิดผลที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดผลในเรื่องของครือจักรนั้นหันมาเอาใจใส่สังคมมากขึ้นครับมีเครือชนกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งสมาคมแคลปแฮมโซซายตี้เขาหนุนใจซึ่งกันและกันผลักดันให้มีการปฏิรูปสังคมไปเรื่อ ย, อยในท่ามกลางกลุ่มชนนี้มีคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเลียม i ิลเบอร์ฟอร์พยายามผลักดันที่ประชมุมนะครับห้ามซื้อขายทาสคนผิวดา เขาต่อสู้มาเป็นเวลา40ปีในที่สุดประสบความสำเร็จโดยผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาอเมริกันยอมตราเป็นกฎหมายห้ามซื้อขายคนผิวดำเป็นทาสพีณองครับศตรวรรษที่20เคิดจักที่มีความเชื่อในด้านข่าวประกาศประกาศข่าวประเสริฐหรืออ v a n g e l i c a l ใช้เวลานานถึง10ปีในการปกป้องความเชื่อระหว่างเรจักซึ่งเป็นพวก Liberals หรือ สางนตศาสตร์ใหม่หรือพวกโมเดิลนะครับพวกนี้เน้นการทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวเขาเรียกว่าค่าวประเสริเพื่อสังคมเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของความเชื่อพวกเขาถึงหลีกเลี่ยงในการกล่าวถึงเรื่องความรับผิดชอบสังคมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรีจากที่มีความเชื่อไม่ในข่าวปรเร ได้ทำพื้นฐานความเชื่องตนว้ดีแล้วก็ไม่เกรงกลัวเรื่องนี้อีกแล้วค่อยๆกลับมานะครับฟื้นคืนทัศนคติความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและนี่แหละครับคือความสมดุลพี่น้องครับผมอาจขออนุญาตขยายความก็คือว่าเราเองนั่นจะต้องมีความสมดุลระหว่างการประกาศข่าวประเสริฐนะครับนำคนมารับเชื่อพระเจ้าและการทาสังคมสงเคราะห์หรือให้บริการสังคมในกิจจกรหลายแห่งนะครับ ก็จะมีการเปิดนะครับเขาเรียกว่าคริสเตียนบริการและจากคริสเตียนบริการนี่แหละครับผ่านมา5 60ปีพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับจากคริสเตียนบริการเล็กๆนะครับที่เรียกเด็กมาเรียนภาษาอังกฤษบ้างนะครับเปิดเป็นห้องเกมบ้างนะครับเปิดเป็นร้านกาแฟบ้างเพื่อบริการสังคมหรือเปิดเป็นลักษณะของห้องสมุดบ้าง เปิดสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือสอนคอมพิวเตอร์เย็บปักถักร้อยสิ่งต่างๆนี้ครับผ่านไปก็นำคนมารับเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราบริการด้วยความรักบริการด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่บริการด้วยใจเพรับคบกิดจจักที่สมดุลก็จะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ในการดํนรครับก็บริการสังคมคิดจากหลายแห่งครับก็ช่วยนะครับช่วยองค์กรคริสเตียนในการเรียกว่าถวายหรือมีส่วนร่วมครับองค์กรคริสเตียนหลายองค์กรครับที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือเด็กนะครับหรือองค์กรคริสเตียนที่บริการสังคมช่วยสร้างบ้านให้กับบรรดาคนที่พบกับภัยพิบัติต่างๆเช่นสึนามิ หรือแผ่นดินไว้หรือแม้กระทั่งบริการสังคมสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลลูกๆเด็กๆของผู้ป่วยโรคเอชนะครับนั่นคือการบริการสังคมที่แสดงให้โลกเห็นว่าเรามีความรักครับเราห่วงใยสังคมเรามีโซเชียลคอนเซิร์นเวิล์คอนเซิร์นนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นที่ขึ้นส จ, จักร จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมครับในขณะที่บางคิดจักนั้นก็ดูสังคมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่สนใจการประกาศข่าวประเสริฐแต่บางคิดจักก็ประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวครับและไม่สนใจที่จะดูแลสังคมเราจะต้องมีความสมดุลกันครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับหากหลายท่านก็อยากจะถวายทรัพย์หรือให้ความช่วยเหลือ นะครับเราจะต้องมีบาลานซ์กันก็คือว่าถ้าจะถวายทรัพย์ให้กับองค์กรที่ประกาศข่าวประเสริฐเราก็ถวายครับแต่อย่าลืมถวายให้กับองค์กรที่บริการสังคมดูแลเด็กด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องที่ยักทุกท่านและเกษตรจักทุกแห่งที่จะมีความสมดุลระหว่างการประกาศข่าวประเสริฐและช่วยเหลือเด็กกำพร้าแม่ไม้และเด็กด้อยโอกาส หรือสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือครับอามีน